ที่จริงเขาไม่มีสัตทินซีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีไม่มีสัตทินซีเนี่ยเดี๋ยวต่อไปที่พูดถึงคำว่ า, านะยาโลกวิฑูเนี่ยนะพระองค์รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่ผู้ที่มีไม่มีศรัทธาเนี่ยคือคนที่มีกิเลสประดุจธุลีในดวงตาเนี่ยมาก เพราะฉะนั้นกิเลสเข้ามากเนี่ยเพราะเขาไม่มีศรัทธากิเลสเข้ามากเพราะเขาไม่มีความเพียรกิเลสเข้ามากเพราะเขาหลงลืมสติกิเลสเข้ามากเพราะเขาฟุ้งซ่านกิเลสเข้ามากเพราะเขาไม่มีปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยนะทั้งหลายก็กลุ่มรุมเล่นงานเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยากได้เขาสนใจว่าเนี่ยทำยังไงจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวให้มันอยู่ได้เนี่ยวุยทําได้ขนาดนี้มันก็บุญหนักบุญหนาเก่งแล้วว่างั้นเถอะ ชาตินี้เลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขไม่มีหนี้มีสินอุ้ยพอแล้วเนี่ยนะเขาก็สันโดษในคีวะแค้นเนี่ยเขาก็พอแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็สแสวงหาโลกแห่งความบันเทิงต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะใช้ชีวิตออรอวันรอวันจากรอวันอำลาโลกนี้ไปเท่านั้นเองแต่ที่ที่เขาจะฝักฝ่ายตั้งเพื่อให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยนะหรือตรัสรู้ธรรมที่พ้นจากความทุกเนี่ย น้อยมากเพราะเขาไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิเขาไม่มีการตั้งใจที่จะเขาไม่มีหมายเขาว่าสัตว์ทั้งหลายยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเลยเนี่ยนะเขาไม่รู้ด้วยว่าเขามาจากไหนเขาจะไปไหนเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะคือตัวเขาเองเนี่ยมายังไงและจะไปต่อไปอย่างไรและปัจจุบันนี่ยกาลังทําอะไร ทำเพื่ออะไรโดยมากตอบไม่ได้นะนอกจากอะไรตารางชีตารางประจําวันอ่ะนะอันมีติเกอเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปทําอะไรมาเป็นแค่เราว่าเป็นอะไรเป็นบันทึกประจําวันเนี่ยนะเป็นบันทึกว่าเออเนี่ยเมื่อวานนะไปทําอะไรเป็นต้นมาวันนี้กําลังจะต้องชั่วโมงเนี่จะต้องทําอะไรมั่งพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรมั่งปาร์เรนนี้มันอย่างมากก็ปีโว้ยถ้าคิดได้ทั้งปีนึ่ก็เก่งแล้วนะแต่ว่าอันนั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตเฉย แต่ว่าในลักษณะวันเนี้ยเขาต้องเจริญอะไรบ้างเขาต้องคิดอะไรบ้างคุณธรรมเหล่าใดที่เขาต้องเจริญบ้างต่อไปเขาจะเพิ่มพูนคุณธรรมอะไรต่อต่อต่อไปบ้างเขาจะต้องให้ถึงระดับไหนอะไรยังไงกลับไม่มีแผนไม่มีไม่มีทิศทางไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนั้นชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายก็ค่อนข้างเลื่อนลอยแบบนั้นนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีรากคืออะโลภะที่มีกาลัง ไม่มีรากคืออโทสะที่มีกําลังไม่มีรากคืออโมหะที่มีกําลังนั้นลําต้นคือศรัทธาลําต้นคือศีลลําต้นคือฮิริโอตตะลําต้นคือสุตะจาขะปัญญาหรือลําต้นคือโพธิปัจขียธรรมลําต้นคือคุณธรรมทั้งหลายก็เลยไม่เจริญงอกเงยเพราะรากเนี่ยมันขาดกันแล้วว่าขาดรากขาดรากคือปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ นันการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เลยน้อยลงไปนี่พอมาถึงบัดนี้เนี่ยทำยังไงเนาะเราจะรู้ยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าพาให้เราตรัสรู้เราจะกำหนดรอบรู้อะไรนะตามพระพุทธเจ้าเราต้องละอะไรบ้างตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องทำให้แจ้งสิ่งใดบ้างตามพระพุทธเจ้าเราจะเจริญคุณธรรมเหล่าใดให้เจริญงอกงามในพระาศาสนาของพระาศาสดาต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะัน ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการตรัสรู้ของพระพุะพ ท, ธ, ทเรรรพพธเจ้าเนี่ยนะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าปัจเจกับพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสาวกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะทําให้ผู้อื่นเขาตรัสรู้ด้วยพระองค์ข้ามจากภพแลว้ว พระองค์ก็พาสัตว์อื่นให้ข้ามพบข้ามพ้นจากพบด้วยเนี่ยนะพระองค์ปรินิพานแล้วพระองค์ก็ทําให้ผู้อื่นเขาปรินิพานด้วยพระองค์สบายใจโล่งใจสงบใจแล้วพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นเขาสงบใจเบาใจโล่งใจด้วยเนี่ยนะนั้นการตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงเป็นการตรัสรู้ที่เรียกว่าพิเศษมากๆเลยมากกว่าปัจเจกกับพุทธเจ้ามากกว่าสาวกกับพพุทธเจ้าเนี่ยนะ ในหัวข้อธรรมเนี่ยนะเกี่ยวกับสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความทุกข์กับธรรมที่ดับทุกข์นะถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะธรรมะมีอะไรมีสองอย่างคือความทุกข์กับธรรมที่ดับทุกข์ความทุกข์กับสิ่งที่สงบทุกข์เนียนะทีนี้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งออกมาเป็นอะไรมัง่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้าแบ่งๆออกมาแล้วมีอะไรบ้าง อันนั้ถ้าตามโลกวิทูแบ่งเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งสังขารทั้งหลายดํารงอยู่ด้วยปัจจัยหรือที่เรียกว่าสัพเพสัตตาหารติติกาถ้าแบ่งออกเป็นสองความทุกข์ทั้งหลายก็คือนามกับรูปถ้าแบ่งเป็นสามก็คืออะไรพบอันนัแบ่งเป็นพบสามทั้งกายมาพบรูปประพบอรูปประพบแบ่งเป็นสัญญาพอสัญญาภพบเนวสัญญานาสัญญาพบแบ่งเป็นเอกโวการพบจตุโวการพบหรือ ปัญจโวการภพเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งหลายถ้าจะแบ่งเป็นหมวดสี่มีอะไรบ้างานะถ้าสำหรับผู้ที่พิเศษเขาก็จเจริญกลุ่นนะมโน่นอะอัปมัญญาสีอรูปสมาบัตสีชฌานสี่เนี่ยนะผู้ที่เป็นสมถะยิกะทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะพิจารณาธรรมระดับสูงเนี่ยนะเพราะความทุกข์ของระดับสูงเนี่ยนะผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยเขาจะ วิปั ส, สนาของเขาจะไม่พิจารณาแบบธรรมดาเขาจะพิจารณาพวกรูปประฌานอารูปฌานพิจารณาพวกพรหมวิหารนี่นแหละเจริญวิปั ส, สนาโดยพิจารณาพวกพรหมวิหารถ้าเป็นหมวดหก็คือกลมขันห้าเป็นหกละ่ะถ้าเป็นกองทุกข์ทั้งหลายหมวดหก็เป็นอายตนะภายในหอายตนะภายนอก6วิญญาณหกภาษาหเวทนา6สัญญาหกเจตนา6ตัณหาหก วิตกหวิจารหกธาตุหกเนี่ยนะมีปฐวีธาตุเป็นต้นจริงเหล่านี้ทั้งหมดก็คือความทุกข์หรือที่เรียกว่ากองทุกข์ถ้าเป็นหมวดเจ็ดล่ะถ้าเป็นที่อื่นเขาบอกคือวิญญาณทิติเจ็ดถ้าเป็นหมวดแดล่ะก็คือโล ก, กธรรมแปดถ้าเป็นหมวดเก้าหมวดเก้าก็คือสัตวาวาสเก้าถ้าเป็นสิบกลุมส0บก็คือเนี่ยพวก คนนี้ก็เป็นสมถญยานิกะหรือพวกที่พิจารณาคุณธรรมอย่างลงอริยสัจเนี่ยนะก็คือพวกอนุสติ10สัญญา10กษิสิเนี่ยนะถ้าเป็นสูงกว่านั้นก็พิจารณาอายตนะ12ท่า18แล้วก็อินรีย์22แล้วก็หมวด12อีกอันนึงก็คือพวกปฏิจจสมุปบาทคือพระองค์เนี่ยสามารถจำแนกหรือแปรรูปต่างๆโดยนยยต่างๆได้เนื่องจากพระองค์เนี่ย มีปฏิสัมพิทาสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปฏิสัมพิทาญาณสประการเนี่ยเนื่องจากพระองค์มีปฏิสัมพิทาญาณสี่ประการพระองค์จึงจำแนกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะตรัสรู้ประเภทไหนด้วยอาสญาอะไปด้วยอาสญานุสยายานด้วยอินทรียะโปรปริยัติยานและพระองค์ก็สอนตามอัธยาศัยของเขาไปไอปัญญาที่มาจำแนกว่าทั้งเหตุและผลนั้นเป็นความรู้ใน ปฏิสัมพิธามันสัมมาสัมพุโทโธนั้นจึงเอาความรู้ประเภทปฏิสัมพิธามาอธิบายเนี่ย น, นะปัญญาที่รู้ทุกขศาสตร์นี่เป็นอะไรปฏิสัมพิทาเป็นอัตถปฏิสัมพิธายานที่รู้สมุทัยศาสตร์เป็นธรรมปฏิสัมพิธายานที่รู้นิโรสัจะเป็นอัตถปฏิสัมพิธายานที่รู้มรรคสัจะเป็นอะไร เป็นธรรมะปฏิสัมพิทายานที่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมาสอนมาบอกมาสอนได้เป็นนิโรติปฏิสัมพิทาคนที่ฉเฉลียวฉลาดในความรู้ทั้งสามอย่างนั้นะ่ะเป็นผู้ที่มีปฏิภาณปฏิสัมพิทาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพิทายานสี่เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปฏิสัมพิทายานสี่เนี่ยพระองค์จึงจำแนกโดยนัยะต่างๆเนี่ยนะที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในอภินญยยนิเทศ พอจะเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกว่าจักรุจกัจกรุสมูไทยจักรุนิโรจกักขโคนิโรทคขามินีปฏิปทานเนี่ยนะคือท่านเห็นเลยว่าจักขุนี้เป็นเป็นอะไรเป็นทุกขสัจจาตัณหาในการก่อนเนี่ยนะตัณหาอวิชชากรรมเป็นต้นที่สร้างจากักขุ จกักขูก็คือดวงตาทั้งหลายเนี่ยประกอบไปด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะอย่างที่ตาของเราเนี่ยนะก็ประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปดวงตานี่มีอะไรบ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยนะปฐวีอาโปเตโชและวายโญมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชาเนี่ยนะแล้วก็มีชีวิตรูปมาหล่อเลี้ยงรักษากรรมตกแต่งให้เป็นความใสที่สามารถรับภาพได้ก็เป็น จกักขคู่ภาษาธาเนี่ยนะจกักขคู่ะาษาธานี้เป็นรูปที่อาศัยตาเท่านั้นเนี่ยแล้วตาอันนี้เนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรมาสร้างให้หนึ่ง <f air> ถ้าไม่มีกรรมตาเกิดได้ไหมไม่ได้ถ้าถ้าไม่มีตันหาเช่นถ้าไม่มีรูปปตันหาที่เพลิดเพลินในสีกรรมจะนําเกิดให้เป็นตาได้ไหมก็ไม่ได้ถ้ารู้ความจริงแล้วจะชอบไหมก็ไม่ชอบอันนั้นเป็นอวิชาอาวิชาเกิดนั่นแหละดวงตาจึงเกิดขึ้นตันหาเกิดนั่นแหละดวงตาจึง เกิดขึ้นกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้มีดวงตาและชาตินี้ถ้าขดาดอาหารถ้าไม่มีอาหารเลยนะตามันจะเป็นได้อย่างนี้ไหมเพราะอาหารเกิดนั่นแหละดวงตาทั้งหลายจึงเกิดและดวงตาก็เจริญเติบโตมาโดยลำดับปัจจวันิก ดำรงอยู่ในฐานะดํารงอยู่แล้วก็ค่อยๆเสื่อมโดยลําดับตอนอายุเริ่มต้นหน่อยนะดวงตาเขาค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเจริญมาโดยลําดับตอนนี้มันก็ชราไปโดยลําดับแล้วก็รอความเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปโดยลําดับสังเกตว่าตาเนี่ยมันเสื่อมมากดูจากอะไรแว่นมันขยายทุกปีหนาะทุกปีหนาะทุกปีหนาะทุก ป, นะกปนะีปีแรกอ่ะสั้นเท่านี้ปีต่อไปเอา้ามันสั้นขึ้นนะ ตาเพราะว่ามันเสริมความใสเขว่างั้นนะเสริมความใสเสริมให้เนี่ยตาก็สุขภาพก็แย่ลงแย่ลงเห็นก็ไม่ค่อยจะชัดแล้วแล้วก็ความทนก็ไม่เหมือนเดิมนะถ้าเป็นแบบอะไรนะเมื่อก่อนก็โอยดูอะไรก็ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นตอนหลังก็จะดูมากขนาดนั้นก็ไม่ได้ล้าง่ายเป็นต้นเนี่ยอ่อนเพลียง่ายเนี่ยนะลืมตามากก็ไม่ขึ้นแสบตาก็ประจําเนี่ยนะน้ตาก็ไหลเนี่ยนะเป็นต้นก็มีแต่ความ อะไรเสื่อมโทไปเรื่อยๆแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยนะตาการดำรงอยู่แห่งตาเนี่ยนะการมีตาก็คือการมีทุกข์การมีดวงตาก็คือการมีโรค น, นะนะการมีตาเนี่ยตากับสีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนนะการมีตาเนี่ยแหละคือการมีฝีวังนงั้นเและการมีตาก็คือการมีชราและมรณะ การมีตาก็คือสิ่งที่มีความชราการมีตาก็คือการมีสิ่งที่แตกทาลายเป็นธรรมดาอ่าแล้วเขาบอกว่าตาเนี่ยเขาบอกว่าเรามีอานาจอะไรจริงๆในตาไหมไม่มีแต่เป็นภาระให้เราต้องดูเลยตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่มันอยากเป็นนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นถ้าเราจะเป็นอย่างที่เราต้องกา ร, รสมมติว่าแม้ต้องการจะให้ตาเป็นยังไงนะอาจจะพอจะได้บ้างก็อะนะลืออะไรนะ แงนดูบนเหลือเหลือบลงดูร่างเอียงหันซ้ายหันขวาแต่มันพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ยอมหันเหมือนกันนะนะมันก็ไม่อยากหันแล้วมันก็ไม่อยากจะลืมตาไม่ใช่ว่าจะมีผู้ใดไปมีอำนาจอะไรจริงๆอยู่ในดวงตาหรอกเพราะฉะนั้นเป็นอะไรพระ อ, องค์ก็บอกว่าการที่มีตาเนี่ยก็คือมีสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เราดูแลบริหารในสิ่งที่ไม่เที่ยง ให้เราดูแลบริหารในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรและเป็นสิ่งที่อาบพาดคือเป็นสิ่งที่ลําบากมากนะต้องคอยระมัดระวังเป็นสิ่งที่ลําบากแล้วก็ไม่มีไม่มีอํานาจอะไรจริงๆแล้วเป็นของที่เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาป่วยเป็นธรรมดาแล้วก็ตายเป็นธรรมดาและไม่ว่านะมันเอาไว้หาเรื่องเป็นธรรมดาอีกนะเอ้าไม่เชื่อหรอสอดไว้ดูอะไรไว้ดูหาเรื่องอะงรเงี้ยนะ ไว้ดูหาเรื่องอะไรเรื่องคือเอาไว้หาเรื่องสร้างตันหามั่งหาเรื่องสร้างโทสะมั่งหาเรื่องสร้างโมหะมั่งเนี่ยนะเอาไว้เอาไว้ดูทําไมว่าดูจะได้ไม่สบายใจไงอะไงี้นก็เรีว่าดูเพื่อทําทุจริตกรรมเนี่ยนะดูเพื่อทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมั่งเอาไว้ดูเพื่อส่งเสริมมิจฉาทิฐิบั่งสร้างอะไรดูเพื่อตันหามานะและทิฐิเนี่ยนะดูเพื่อทําชั่วดูเพื่อเจริญตันหาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ดูเพื่อ เพื่อสร้างพบสร้างชาติเนี่ยนะแปล ว, ว่าทุกครั้งที่เห็นก็คือการสร้างอะไรก็สร้างตาต่อต่อไปแปล ว, ว่ามีตาเพื่อเจริญตัณหาถามว่าอันนี้เป็นวัตตาเนี่ยนะความเป็นจริงของวัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แนละ้วพระองค์ตรัสรู้ว่าถ้าดับตาและดับเหตุให้เกิดตาเนี่ยนี่เป็นเป็นอะไรเป็นความสุขเนี่ยนะการมีตากับไม่มีตาเนี่ยนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่แปลว่ายกขันท่าทั้งหมดแล้วล่ะ เพราะอะไรเพราะตาเนี่เป็นรูปประคันใช่ตาที่จะเห็นได้ต้องมีสีตากับสีเนี่ยนะเป็นรูปประคันจิตเห็นเนี่ยเป็นวิญญาณขันภาษาเป็นสังขารขันความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันรูปประสัญญาจำวาสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นนั้นนั้นก็เป็นสัญญาขันทุกครั้งที่ลืมตาเห็นเนี่ยนะนับหนึ่งก็ได้ว่าที่เราลืมตาคือสังขารธรรมทั้งหมดนี่คือการปรุงแต่งขึ้น นับเป็นสองเนี่ยนะก็คือนามกับรูปตากับสีเป็นรูปรธรรมความรู้สึกนึกคิดการเห็นเป็นนามรธรรมสีที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสีชั้นเลวเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาสีธรรมดาทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาตาเนี่ยนะตากับสีต้องอาศัยกะพลิงกะราหานเวทนาต้องอาศัยผัสสหานนามรูปทั้งหลายต้องอาศัย วิญญาณอาหารเนี่ยนะอ่าแล้วก็วิกรรมมชรูปทั้งหลายวิบากและกรรมมาชรูปทั้งหลายก็ต้องอาศัยมโนสันเจตนาอาหารเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยอาหารสี่นะแล้วก็เป็นขันห้าใช่ตากับสีเป็นรูประขันผัสสะเป็นสังขารขันจักขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันเวทนาเป็นเวทนาขันแล้วก็มีอะไรโรประสัญญาเป็นสัญญาขันหนึ่งในอายตนะในทวาร6 หนึ่งในอายตนะภายในห ก, ก็คืออะมันไม่ใช่มีแต่ตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันหนึ่งในจำนวนหกอย่างเนี่ยนะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มพบไหนอ่ะผู้ที่มีตาเนี่ยใครมีตาได้บ้างตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมทั้งหลายเมื่อได้เห็นเราเขาบอกว่าเราได้ราบเมื่อไม่เห็นก็เรียกว่า เสื่อมลาบเห็นบางอย่างนี่เป็นคือสิ่งที่แหมให้เกิดความสุขเห็นบางอย่างก็ทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็เขาเขียนป้ายดา่าเราก็บอกว่านินทาถ้าเขียนป้ายชมเราก็บอกว่าสรรเสริญ น, นะครับมีทั้งลาบเสื่อมลาบมีทั้งยศเสื่อมยศเนี่ยนะตอนที่แบบมีทุกคนห้อมล้อมไปหมดเรียกว่ามียศเงาคนเดียวก็เรียกว่า เสื่อมยศเนี่ยนะไม่มีเราไม่รู้จักใครสักคนเดียวเลยนี่เรียกว่าเสื่อมยศถ้าบอกโอ้นี่เรารู้จักหมดเลยนี่เขาเรียกว่ามียศตานี่จึงเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม